เทศอบรมพระวันที่8มกราคม2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยาณสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้นิ่มนวลดีมากทำกับใจเป็นของคู่ควรกันจึงควรเห็นใจเป็นสำคัญถ้าเห็นวัตถุเป็นของสำคัญกว่าใจคนเรา จะทวีความโลภในวัตถุมากไม่มีคำว่าพอกิเลส ท, ทุกประเภทเป็นสมมุติทาเป็นเครื่องแก้กิเลสมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเป็นสมมุติและเป็นไตรลักษณ์ด้วยนอกจากจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นฉะนั้นพระอรหันต์ท่านจึงไม่มีเวทนาทางใจเพราะ จิต ท, ท่านหมดสมมุติแล้วเทศกันนี้ดีมากอัดให้ใครได้ทั้งนั้นมีหน้าเอหน้าเดียวหน้าบีไม่มีเสียงทาง เ, เครื่องยุ่งเหยิของใจทาเป็นกับใจเป็นของผู้ควรกัน และใจเป็นธรรมชาติใหญ่โตมากในบุคคลแต่ละคนตลอดทั้งโลกมีใจเป็นสำคัญถ้าใจหันเหตผิดทางไปเช่นนิยมทางด้านวัตถุมากมาก โดยไม่สนใจทางด้านจิตใจว่ามีความจำเป็นกับสิ่งใดถึงคนรับผิดชอบอยู่ตลอดเวลาได้ย่อมเกิดความโลภมากในวัดได้เท่าไรไม่เพียงพอคนหนึ่งหนึ่ง ได้วัตถุสมบัติตามความต้องการนั้นโลกแผ่นบินเ่านี้ยังแคบไปหาที่ตปรงที่วางไม่ได้เพราะไม่พอกับความต้องการของความโลกของควา ม, วามโลกซึ่งเป็นสิ่งใหญ่โตมากครอบโลกกระถา เพียงสมบัติในโลกมนุษย์เรานี้จิงไม่พอกับความต้องการของบุคคลแม้คนเดียวยังอยากเต็มทั้งโลกมนุษย์นี้ด้วยเต็มทั้งดินฟ้าอากาศที่ไหนไม่มีว่ามีแต่สมบัติของเจ้าของเพียงผู้เดียวเท่านั้น นั่นเป็นความพอใจของความโลภแต่ยังไม่มีความเพียงพอของความโลภถ้ามีอะไรแฝงเข้ามาอีกความโลภยังจะต้อ ง, องการกมากมายไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อความโลภมากความรักความชั่หวหนความถือศีถืออำนาจ มากเมื่อสิ่งเหล่านี้มีมากอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องที่จะทำสมบัติของตนแม้จำนวนมากๆนั้นให้บุบค่องไปแม้แต่นิดเดียวกว็่ามจะเป็นการกระทบกระเทือนต่อจิตใจให้เกิดความเครียดแค้นเกิดกิเลส ป, ประเภทหนึ่งขึง้น คือความโปรดเป็นสำคัญเป็นคู่กับความหลงความหลงก็คือเป็นพื้นอยู่แล้วไม่รู้สึกตัวเลยว่าโลกนี่ทั้งโลกเป็นโลกที่มีปา่าช้ามีวันตายได้มีวันหลายพักรากจากของรักของทุกใจ จำนวนน้อยมากไปได้เหมือนเหมือนกันหมดเมื่อจิจได้หันเหไปทางด้านวัตถุสนใจกับด้านวัตถุม า, มากๆจิตยิ่งมีความอยากโลนลงไปเพราะไม่ใช่วิสัยของจิตจะไปยึดสิ่งเหล่านั้นมาเป็นตนเป็นของตนและเพื่อเป็นความสุขอันพึงพอใจของตนได้ นอกจากศีลธรรมซึ่งเป็นคู่ควรของใจเพราะเป็นนามธรรมาด้วยกันกับใจเท่านั้นโดยเหตุนี้โลกที่มีความเดือดร้อนวุ่นวายทั้งคนงคูคนชลาดทั้งคนเดียนมากเรียนน้อยทั้งคนมีค น, นจนยิมหาความสุขจากด้านวัตถุเนี้ยมีจำนวนน้อยมากหรอกนั้นไม่ได้ ไปที่ไหนมีแต่กองทุกซึ่งเต็มอยู่ในหัวใจของคนทุกประเภททุกเพศทุกไบทุกชาติชั้นวรรณะไม่เลือกหนาเพราะจิต ห, หมุนไปทางในทางที่ผิดจนเกินีกเกิดผลไม่สรุดใจแม้แต่น้อยหนึ่ หากโลกยังมีความสนใจในด้านวัตถุมากเพียงไหรไม่สนใจกับศีนธรรมหรือศาสนาเลยแล้วโลกก็ถึงจุดจะถึงจุดระเบิดจนได้ความระเบิดของโลกนั่นก็คือความคิดหายของโลกซึ่เกิดขึ้นจาก จิตใจงตัวลบโลกตัวกดกรดตัวเคียดแฉนมีแ่แฉนนีออกไปทำลายทั้งอื่นและตัวเองให้ทิพายผลปีติหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเลยด้วยเหตุนี้นักปราบทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นตนที่ทรงค้นพบ กิความรลองทั้งหลายโดยพระจักษพระไทยแล้วจึงได้นำมาสั่งสอนโลกแยกดูแยกแยกทางด้านวัตถุแยกด้านนมามธรรมออกเป็นชิ้นเป็นส่วนให้รู้จักเลือกเล้นในสิ่งที่ควรไม่ควรการทรงสั่งสอนโลกนั้นเรียกว่าประกาศพระศาสนา การประกาศศ า, าสนาก็คือประกาศความจริงอันถูกต้องแม่นยำแจกจ่ายโลกให้ได้ยึดถือสินั้นๆที่เห็นว่าถูกต้องตามหลักธรรมและพยายามปล่อยวางสิ่งที่เป็นค่าสึกของใจเพื่อ็นมีที่ตรงวางบ้างสมกับมนุษย์เป็นผู้ฉลาด ป่าบรรราสัตว์ในโลกนี้พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์ไม่เคยทรง ส, งสอนอักธรรมให้แตกต่างกันไปแม้แต่น้อยเลยหลักใหญ่ทรงสอนเรื่องกรรมของสัตว์ประจําพระศาสนาของแต่ละพระองค์ตระองไม่เคยเนกรรมคือการกระทํา ความคิดดีชั่วทางใจเรียกว่ามนโนกรรมการกล่าวดีชั่วทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมการกระทําทางกายดีชั่วทางกเรียกว่ากายกรรมนะรวมแล้วเรียกว่ามนโนสุจริตบ้างมนโนทุจริตบ้างวจีสุจริตบ้าง วจีทุตจลิกบ้างกายแสุจริกบ้างกายและทุตจลิกบ้างตามแต่กิยาที่ทํานั้นเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วทนก็แยกฝวนแบบแบ่งฝวนไปตามหลักธรรมชาติของกรรมที่ผลิกขึ้นมาให้เป็นสุขบ้างเป็นทุกบ้างหรือให้เป็นสุขโดยลำดับเป็นทุกโดยลำดับหรือให้เป็นสุบอย่างยอดเยี่ยม จนถึงที่สุดแห่งความสุข ท, ที่เรียกว่าประมังสุขขังปันเป็นความสุขยอดเยี่ยมและเป็นทุกข์โดยลำดับจนถึงขั้นมหันตทุกข์มหันตโทษเป็นสาเหตุทาให้มหันตทุกข์หาที่ปลงวางไม่ได้เลยแสดงตัวได้ยอย่างเป็นที่นี่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่ท่านสอนเรื่องกรรมนั้นกรรมอยู่ที่ไหนกรรมอยู่กับมนุษย์และสัตว์ทั้งนั้นไม่เว้นนอกจากสัตว์ตายจะไม่ทํากรรมเป็นแต่เพียงว่าสัตว์ดิเรกชานเขาไม่สัตว์มาบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ผลยิ่งไม่ใช่วิสัยของพระพุทธเจ้าจะชรงสั่งสอนสัตว์อย่านั้นยิ่งกว่า การสนพระไทยและทรงสั่งสอนมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ฉลาดรู้จักดีชั่วบาปบุญกุณโทษนี้เป็นสำคัญศาสนาจึงต้องประกาศในแดนมนุษย์ไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาจา่สรุธรรมย่ยอมทรงสแสดงอัตธรรมแก่มนุษย์ผู้ควรจะรับธรรมของ พระพุทธเจ้าได้ทำนั้นเพราะมนุษย์บางประเภทแม้าจะเป็นมนุษย์เขาก็ไม่สนใจจิตใจเป็นอีกแง่มีความรู้ความเข็นเป็นต่างๆไม่อาจจะรับความจริงคือธรรมนี้ได้พระองค์ก็ไม่สงสอนผู้ที่ควรจะรับความจริงคือธรรมที่พรงสั่งสอนใบนั้น น่าโดยลำหนับพระองค์ก็ทรงสอนสอนตามขั้นตามภูมิแห่งอุปนิสัยและความฉลาดสามารถของผู้รับฝังจนถึงขั้นวิ้มมุิหลุดพ้นจากที่เหลอตอาชวะเพราะอนานาจแห่งการสอนของพระพุทธเจ้าและอานาจข่งการประพฤตปฏิบัติตามของตนด้ยวยความเที่ยวความเงินใจจนถึงจุดหมายปลายทางได้ ธรรมศาสนาจริงเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับจิตใจมนุษย์เรามนุษย์ผู้ใดพวกใดคณะใดกว่าตางไม่มีศาสนาเอาวัตถุเป็นศาสน า, น, น, น, น, นาเป็นที่ยึดที่ถือให้ยใจเป็นผู้ยึดผู้ถือวัตถุนั้นมาเป็นที่พึ้นเกียใติมีเป็นอาานะัตถนามันเป็นไปไม่ได้ เพราะมาไขวิสัยของใจจะไปยึดถ่งนั้นมาเป็นที่ขึ้นเป็นสาระได้นอกจากศีลธรรมคือความดีงามมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสําคัญเป็นหลักใจเป็นที่ยึดทีร่ระลึและปฏิบัติตามหลักธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้ด้วยความดีงามโดยความดีงามของผลทํานัน้นมีเป็นวิสัยของจิต ที่จะพึงคิดทอดจิตมีอารมณ์เป็นอาหารมีอารมณ์เป็นเครื่องอยู่กายมีวัตถุเป็นที่อาศัยมีวัตถุเป็นที่อยู่มีวัตถุเป็นเครื่องบำรุงายมีอารมณ์เป็นเครื่องบำรุงรักษาและเป็นเครื่องทําลายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจักโลกด้วยธรรมเพื่อให้เหมาะสมกับใจ เนี่ยยึดนะปฏิบัติต่างเห็นหรืพุทธโธพุทธโธเป็นต้นนี่เหมาะสมอย่างดีกับคำว่าพุทธโธ ร, ระหว่างพุทธโธกับใจเป็นความเหมาะสมแก่กันอย่างดีเมื่อใจได้อาศัยพุทธโธหรือทรรมบทต่างๆเป็นอารมณ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเอ็นที่พึ่ง ใจย่อมมีที่พึ่งหน่วยใจมีที่พึ่งย่อมมีความอยู่เย็นเป็นสุขแม้จะเคยฟุ้งร้างหวายความว้าหนี้ตอนที่ยังไม่ได้หลักไม่เต็มหาที่ยึดที่ถือไม่ได้ต่อเมื่อได้รับหลักเกณฑคืออัธรรมเป็นที่ยึดถือด้วยอีกจิตใจแม้จะเคยคึกขนองมายิ่งกว่ากว่าม้าตัวขนองเป็นไหนไหนก็ตามก็ไม่ทนการฝึกการอบรม การทรมานของจิตด้วยอับ ด, ด้วยธรรมนี้ไปได้รพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ประกอบการฝึกการทรมานพระองค์โดยถูกถาาาทางพระสาวกทั้งหลายได้บรรลุธรรมจนถึงขั้นอรหัสตหักก็ลวนแล้วตั้งเ่งแล้วตั้งแต่การประพฤติปฏิบัติกรมจัดสิ่งที่เป็นค้าสิศต่อจิตใจที่เรียกว่ากิเลสประเภทต่างๆจนหมดสิ้นไปจากใจแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมา ทำเป็นเครื่องซักฟอกจิตใจให้ขาวสะอาดปราศาจากมูลทินไปเรื่อยแบบจนกระทั่งถึงความมีสุดเบย่อขึ้นถึงวัตถุไม่มีวัตถุใดที่จะเอาไปซักฟอกจิตใจให้มีความผ่องแผ่สวยงามหรือบริสุทธิ์ได้เลยขึ้นชื่อว่าวัตถุแล้วในโลกนี้ไม่มีวัตถุใด จะสามารถเข้าไปกำจัดที่เหล็กหรือเข้าไปชะล้างสิ่งสโครกมีภายในใจิตได้นอกจากธรรมซึ่งเป็นกู้ควรของ ก, นนการกันเท่านั้นด้วยเหตุนี้ศาสนาจึงเป็นความจำเป็นสาหรับผู้ชนผู้ต้องการหลักเกณฑ์ให้ถูกต้องตามความจริงกายอาให้มีที่พึ่งอันหนึ่งดังโลกทั้งหลายสอบแสดงหา การอ า, อ า, อ า, อ า, อาชีพต่างๆกันเพื่อความเป็นอยู่ของกายก็ได้สะดวกเพราะมีเครื่องบำรุงรักษามีที่อมีที่อาศัยปัจจัยเครื่องบำรุงทั้งร่างกายให้มีความผาสุกร่มเห็นขอน้ำโภชนาอาหารเวลาเกิดความหิวโหยขึ้นมาก็รับทานเป็นเครื่องบรรเทา เบาลงไปโดยลำดับในบรรดาความหัวโหยจนกลายเป็นความอิม่มหนำสาลังขึ้นมาร้อนหนาวก็หาผ้ามาห่มร้อนก็อากน้ำมอใช้พัดลงเป็นเครื่องเยียวยาซึ่งกันากาันนี่เป็นวิสัยของกันกายกับวัตถุเป็นของคู่ควรกันอาศัยกันได้ช่วยอะยะการ แต่ใจต้องมีอารมณ์เป็นที่อาศัยใจจะอยู่ตามปกติไม่ได้ตามลำพังตนเองจะต้องคิดต้องปรุงต้องมีอารมณ์เป็นเครื่องเล่นเล่นดีเสมอด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้นำธรรมะเข้ามาอันเป็นอารมณ์ในทางที่ ให้ใจได้ยึดถือได้ปฏิบัติได้เป็นอารมณ์ของใจแลเพราะ อ, อย่างยิ่งก็คือจิตตภาว น, นาใจให้มีธรรมเป็นอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์อันเป็นข้าศึกต่อใจที่เคยเป็นมานั้นเสียนำอารมณ์อันดีงามคือถรร เป็นพุโทโธธรรมูสังโฆหรือทำบทใดก็าตามขึ้นชื่อว่าทำแล้วเป็นอุสุท์เหมาะกับสติปิสัยของผู้นั้นๆเป็นลาล า, ลาแต่โดยไม่ต้องสงสัยอีเมื่อได้ทำเป็นอารมณ์บังคับฝึกฝนอบรมตนด้วยทำเป็นอารมณ์มีสติเป็นเครื่องควบคุมงานคือการ ฝึออกฝนอบรมตนมีกิตตภาวนาเป็นต้นจิตใจเมื่อมีผู้ป้องกันมีผู้รักษามีพี่เลี้ยงคือสติยอมจะเข้าสู่ความสงบร่มเย็นได้ในการในเวลาหนึ่งโดยไม่ต้องสมใจเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบได้ด้วยการฝึออกการอบรมหรือด้วยอารมณ์แห่งธรรมที่นำเข้าไปโดยกรรมภาวนา จิตย่อมจะมีความเย็นหรือความเบาความสบายขึ้นมาหรือว่าความสุขเป็นขึ้นมาที่ใจเองโดยไม่ต้องไปหาความสุขมาจากที่อื่นใดการที่จิตหาความสุขไม่ได้ทั้งทั้งที่ต้องการความสุขอยู่โดยทั่วันก็เพราะจิตแสวงหาความสุขไม่ถูกทางมีนามซ้ำยังความคิดปรุงต่าง ซึ่งเป็นค่าจิตต่อใจนั้นจิตยิ่งมีความพยันคิดปรุงโดยไม่มีการหักห้ามท้านทา น, ทานอารมณ์ที่เป็นไทยนั้นโดยอารมณ์ที่เป็นไทยที่คิดจิตคิดตรุงอยู่เสมอนั่นแหละเป็นต้นเหตุที่จะให้เกิดความวุ่นวายภายในใจก่อให้ความทุกข์ขึ้นมาเมื่อจิตมีความสงบแล้วความทุกข์เหล่านั้นก็าหายไป สรุปความลงแล้วว่าจิตที่หาความสุขมาได้ก็เพราะความรบกวนตัวเองด้วยความคิดปรุงต่างๆอันเป็นอารมณ์ที่เป็นข้าศึกเมื่อนาอารมณ์อันเป็นอัดเป็นทำเข้าไปเป็นเครื่องยึดจิตย่อมมีความสงบร่มเย็นได้สุดท้ายาก็ว่าจิตสงบ ได้มากน้อยความสุขย่อมเกิดขึ้นมากน้อยเช่นเดียวกันยังไม่มีความสุขใดอยู่ในสถามที่ใดพอที่จะยึดมาอวดโลกหรืออวดผู้หนึ่งผู้ใ น, นใดก็ตามได้เลยนอกจากเราจะส่องแสวงหาที่จิตด้วยวิธีการที่ถูกต้องดังที่กล่าวมานี้เท่านั้น จะสอดแสวงหาความสุขทางด้านจิตใจนี้หาทางไหนก็จะเจอตั้งแต่ยาพิษคว้าน้ำเหลวทั้งหมดถ้าไม่ฝึกหัดอบรมหรือนำธรรมเข้าไปเป็นอารมณ์ของต่มีสติเป็นเครื่องบังคับบัญชาไม่ให้จิตเถอจาก งานของตนที่กำลังทำอยู่ในเวลานั้นเช่นกำลังบริกรรมภาวนาก็ให้มีสติรับทราบกับคำบริกรรมของตนไปทุกระยะไม่ขาดสายโดยไม่ต้องขาดตองไม้ว่ามรรคุนิพพานจะเกิดขึ้นได้ในเงื่อนใดหรือจะเกิดขึ้นในลักษณะใดอันเป็นการก่อขวนงานของตนให้ล้มเหลวไปได้้มีแต่ปัจจุบันธรรม คือคำบริกรรมกับสติควบคุมกันไม่รู้อยู่กับธรรมบทนั้นๆเท่านั้นเป็นปัจจุบันอยู่โดยสม่ำเสมอผลจะพึงปรากฏเป็นความสงบสุก ข, ขึ้นมาเองเมื่อใจหาทางเลีทอดออกไปสู่อารมณ์มเป็นข้าศึกไม่ได้เพราะการบังคับบัญชาด้วยสติผููจเจริญทางด้านปัญญาปัญญาเคลื่อนไหวไปไหนสติตามสอบสอง ไปด้วยควบคุมไปด้วยเรื่องความรู้ความฉลาดย่อมจะแตกแหนงขึ้นไปเป็นนนกยำหนกเพราะปัดขึ้นคือว่าปัญญาแล้วหาความสิ้นสุดไม่ได้เมื่อเจ้าของมีความสนใจพาคิดพาอ่านใจรองในสภาวธรรมต่างๆอยู่เสมอด้วยความสนใจนี้สติเป็นเครื่องกำกับรักษา ความเฉียวฉนาดความค่องแคล่วว่างไวความปลดเรื่องสิ่งที่เคยยึดเคยถือจะเป็นไปได้โดยลำดับเพราะอำนาจแห่งปัญญาที่มีสติเป็นเครื่องควบคุมนี่เรากล่าวในเบื้องต้นเป็นสองภาคคือภาคกายอย่างหนึ่งภาคจิอย่าง สิ่งที่ควรแจกร่างกายซึ่งเป็นด้านวัตถุด้วยกันก็ได้แจกวัตถุทั้งหลายมีอาหารการบริโภคเงินทองข้าของบ้านตึกรามบ้านช่องเป็นต้นมีเป็นคู่ควรของกายที่จะพึงอาศัยสิ่งเหล่านี้โลกทั้งหลายจึงต้องแสวงหากันเป็นแต่เพียงว่าแสวงหาจุลเลยเถิดมนุษย์จากการแยกแยะทางด้านจิตใจเลยนี่หน้ำซ้ํายังต้อง บังคับจิให้เข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับวัตถุทั้งหลายซึ่งเป็นอาถรรพมันเป็นไปไม่ได้ก็จําต้องทำลงไปเพราความไม่รู้ไม่เข้าใจนีหนั่งซ้ํายังยกวัตถุขึ้นเป็นพระเจ้า อ, อีกด้วยเมื่อ ย, ยกวัตถุขึ้นเป็นพระเจ้าใจที่ควรจะเป็นพระเจ้าได้ก็เลยกลายเป็นบล่อยของวัตถุทั้งหลายนั่นสียโมหัวไม่ขึ้นหาความแปลกประลาดอัศจรรย์ ภายในร่างกายและจิตใจนี้ไม่เจอเลยจนมาทังถึงวันตายเพราะไม่ใช่วิสัยข้องกันระหว่างวัตถุ ก, กับจิตเป็นวิสัยของกันได้อย่างนิ้เฉพาะวัตถุ ก, กับร่างกายึ้นเป็นวัตถุเหมือนกันเท่านั้นใจจึงแยกตัวออกให้เหมาะสมกับวิสัยของตนที่ควรแก่สิ่งใด สิ่งที่ควรต่อใจอย่างยิ่งเหมาะสมต่อใจอย่างยิ่งก็คือทับเพราะเป็นนามธรรมาด้วยกันไม่ใช่วัตถุอีกประการหนึ่งใจเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าร่างกายอีกด้วยยึ่งควรได้รับการอบรมจิตใจให้มีหลักมีเกณฑ์แม้จะเป็นคารวะก็ควร เข้าใจว่าใจนี้เป็นนามกายเป็นบางใจเป็นหัวหน้างาใจได้รับการอบรมหรือไม่ถ้าใจไม่รับการอบรมแล้วก็จะพัดความประพฤติทั้งหลายเสียหายแหลกเลวไปหมดได้โดยไม่ต้องสงสัยถ้าใจได้รับการอบรมด้วยศีลด้วยธรรมอันเป็นส่วขาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วใจก็จะมีหลักมีเกณฑ์มีมีผลเป็นเครื่องประทับประทอง ตัวใ ไ, ได้โดยราบรื่นดีงามทั้งความประพฤติหน้าที่การงานที่จะแสดงออกทางกายวาจาก็เป็นไปด้วยความสม่ำเสมอและถูกต้องดีงามไป ต, ตามๆกนหมดเนื่องจากใจเป็นผู้ได้รับการอบรมคื้นายเป็นผู้ฉลาดสามารถที่จะยังกายวาจาอันเป็นเครื่องหนมือหรือเป็นบางนั้นให้พูดให้คิดให้ผูดให้ทำในทางที่ดี มันเป็นความเทืยหายมีเรื่องโลกหรือผู้ใดคณะในก็ต า, ามมีไม่ไม่มีศาสนานี่วเป็นโลกที่หมดว่างร่างกายแตกแล้วก็เท่านั้นเองไม่ทราบจะพึ่งอะไรวัตถุทั้งหลายจะมีเต็มโลกอยู่ไม่มีอันใดที่จะติดส้อยห้อยการติดใจไปได้ เป็นโมฆะไปด้วยกันทั้งสองอย่างคือร่างกายก็เป็นโมฆะวัตถุที่เคยเป็นคู่ควรของกาลกรรเมื่อตายแล้วก็หมดความหมายเป็นโมฆะไปเช่นเดียวกันส่วนใจที่ยังมีความสืบต่อคบต่อชาติอยู่แต่ไม่รู้จักวิธีสอดแสงหาเครื่องยึดถือที่พึ่งของตนก็จะด้รับความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะคนเราเมื่อไม่ทาความดีก็ต้องทาความชั่ว เมื่อเห็นความดีเป็นของไม่จําเป็นแล้วก็ต้องเห็นความชั่วเป็นของจําเป็นแล้วเตอบแสวงในการจะทําตามใจชอบร้อยทั้งร้อยที่ใจชอบต้อเป็นสิ่งที่ผิดการกระทาความผิดเราจะทราบว่าผิดหรือไม่ผิดก็ตามต้อผลต้องเป็นผิดด้วยกันนี่คือคติธรรมดาไม่หลีก ด้วยเหตุนี้พวกเราทั้งหลายได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นคู่ควรกับใจอย่างยิ่งเหมาะสมกับความเป็นมนุษย์ของเราและเป็นพัฒนะอันดีงามกับพุทธศาสน า, สนาสด้วยแล้วยึงควรสนใจในการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข่าศึกภายานจิตใจของคนด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอย่าได้ลดละ พอถอยใ้มีความหนักแน่นในหน้าที่การงานมีเหตุมีผลเป็นเครื่องบังคับการดำเนินคือความเพียรของตนอย่าปล่อยให้เป็นไปตามยะถากรรมความที่เหียดที่คร้านความอ่อนแอความทอดแท้ถอยหลังหากเป็นสิ่งที่ยังประโยชน์หรือความเป็นสิริมงคลให้โลกได้รับแล้วโลกนี้จะไม่อับเฉาโลกนี้จะไม่มีความ ร้อนวุ่นวายเหมือนดังที่เป็นอยู่นี้เลยจะเป็นโลกเป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยสิริมงคลทั้งนั้นเพราะสิ่งเราดังกล่าวนี้มีอยู่กับทุกคนแต่มีหาความเป็นสิริมงคลไม่ได้นอกจากเป็นเครื่องย่ำยีแต่เราได้รับความทุกข์ยากลําบากเพราะหลงกลของของหมัดด้วยเหตุนี้ทำจึงต้องอาศัยธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องแก้คน มายาของพิเลสที่หลอกลวงเราด้วยความขยันหมั่นเพียรหรือความเอาจิงเอาจังตามเหตุตามผลที่หลักธรรมสอนไว้แล้วอย่างใดนั่นเป็นหลักใจของเราเมื่อเป็นหลักใจแล้วนั่นก็เป็นหลักหลักความกับขึ้นหลักการดำเนินของเราเมื่อดำเนินตามนี่แล้วผลไม่ส่องสงสัยจะพึงเป็นขึ้นมาโดยอยตโนมัเราหมายอดีตอนาคต คราบเมื่อวานนี่ได้ทํามามากหรือปีการนี่ทํามามากปีสืนนุ้นได้ทํามามากปีนี้จะทํามากอย่างกีการปีสืี้เห็นจะแย่นี่คือคือเรื่องหลอกตัวเองปัจจุบันนี้กิเลสมันไม่เคยมีอดีตอนาคตที่ตรงไหนให้เราย้ําเข้าที่ตรงนี้เพื่อทันกฎมัญญาของกิเลสกิเลสเคยอยู่กับเรามาตั้งแต่วันเกิดอย่าว่ากีการปีสืนอแห่งการทําความเปลี่ยนของเราเลยมันยังไม่เห็นว่า เรายังไม่มีความรู้สึกสะดุดใจเลยว่ามันเคยฝังจมอยู่ภายในจิตใจของเรามานานแล้วทำคิดภายแก่เราให้เกิดทุกข์ร้อนมามากยิ่งกว่าปีกาปีซึนทำไมเราจรึงไม่สนใจคิดเพื่อแก้สิ่ง น, นี้ออกอุ ม, มายวิธีของปัญญาต้องใช่่างนั้นยิ่หล็ยอกย้อนปะจมไหนสติปัญญาต้องยอกย้อนตาม ให้ทันกลมายาของจเดิจึงชื่อว่าเป็นผู้สังสมความพลาดคือสติปัญญาอันเป็นธรรมชาติที่เตียงไกลเป็นอาวุธที่ทันสมัยแล้วตั้งแต่ขั้งพุทธการที่พระพุทธเจ้าทรงสัสมนหรือทรงบังคมบนจนกระทั่งปัจจุบันไม่มีอดีตอนาคตคำว่าสวขาตัดถมมีมัชฌิมาปฏิปทาเป็นปต้น เป็นทาที่เหมาะสมอยู่ตลอดการกับบุคคลผู้สนใจมปปั่งศึกษปฏิบัติเราจาโยงผลมมายาของจิตเล่งประพฤติปฏิบัติได้มากเท่าไหร่ที่เลสขาดลอยไปมากเท่าไหร่จิตใจยิง่งมีคุณค่าขึ้นมากมา ทำไม่สมน้ำสมเนือ้อสมกับพราธรรมที่ประกาศสอนมานี้พระองค์ทรงได้มาด้วยความรอดตางไม่ใช่ได้มาด้วยธรรมดาเหมือนอย่างได้สมบัติต่างๆทั้งหลงายเราเลียงเห็นพระไทยของพระพระทุทธเจ้าที่มีพระเมตตาสุดสุดแกดศาโลกถึงกับต้องเสียสละชีวิตของพระองค์ หากจะตายพระองค์ก็ยอมเพื่อโลกสงสารแลยรับความดลใจจงปรารถนาพุทธภูมิเพื่อความเป็นโพธิญาณคื่เป็นสา ร, ระสำคัญของโลกมาเป็นมิลานาการการปรารถนามานานนั้นกับการประพฤติพระองค์ตามหลักแห่งโพธิสัตว์ก็มาก็ต้องนานเหมือนกันจะมีครรม ลำบากลำบุญมากน้อยเพียงไลและนานเท่าไหร่ตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกทรงตั้งความปรารถนามาจนถึงขั้นสมบูรณ์แห่งความเป็นศาสนาสอนโลกและอุตส่าห์ทรงอุตสาห์พยายามสั่งสอนโลกเรื่อยมาจนกรทั่งวังตรีธาเราควรนำมาคิตเป็นคติเคื่อเตินใจของตนว่า ไม่ควรนอนจับเพราะพระเมตตาของพระพุทธเจ้านั้นล้นโลกล้นสงสารยังประกอบความเพียงนิดหน่อยทำไมจะไปล้นโลกล้นสงสารเก่งกว่าครูแล้วไม่สมควรแก่เราคู่เป็นลูกศิษย์ถาพจฉะนั้นอันใดที่เป็นการบูชาสถาพตได้เหมาะที่สุดก็ได้แก่ธรรมานุธรรมะปฏิปันโนการปฏิบัติธรรมให้เหมาะสมสมควรแก่ธ ร, ร ตามหลักมัชิิมาที่ทรงสัง่งสอนไว้แล้วอย่างไรนั่นคือการบูชาสถาพคตโดยตรงกิเลสมีหลายประเภทมัชิมาปฏิปทาจึงต้องมีหลายประเภทให้ทันกับเหตุการของกิเลสที่มีกลมายาร้อยเลขร้อยสันพันขงหากจะมีจั้งป็น อุบายอันหนึ่งอันเดียวเท่านั้นไม่ทันยงต้องคิดขึ้นมาในบรรดาสติปัญญาอย่างไรจะทันกับคนปัญญาของทิริดียวประเทศใด ต, ต้องคิดขึ้นมาคิดค้นขึ้นมาให้ทันกันเขาสร้างบ้านแต่ละแต่ละหลังขึ้นมาเครื่องมือของเราของเขามีจำนวนเท่าไหร่เขาสร้างปึกราบบ้านช่องเช่นปวกรับเหมา เครื่องมือของเขาเป็นลารถมีกี่ประเภทนับไม่ถ้วนเราดูการสร้างมรรคนลิพานขึ้นแก่ตัวของเราให้เป็นหลักเป็นเกนเป็นหลักเป็นแหละอันแน่นหนามันคงเป็นที่พึงพอใจเครื่องมือของเราจะมีเพียงอันหนึ่งอันเดียวอย่างนั้นไม่ได้จึงต้องมีเครื่องมือมากมาย เพราะสิ่งที่จะตัดรอนเรานี่มีอยู่มากคือกิเลสมีประเภทต่างๆจึงต้องใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นๆอ้าวจิมันยากเพราะกิเลสพาให้อยากจิตดือ้อเพราะกิเลสพาให้ดื้อได้าเมื่อกิเลสประเภทดือด้อนด้หารสู้ต่ออัตตธรรมของพระพุทธเจ้า เราก็ต้องปราบกิเลสด้วยมัชฌิมาปฏิปทาประเภทปรมาณเอาตายก็ตายไม่ยอมถอนชาติปัญญามีเท่าไหรปุดค้นขึ้นมาพาดควันพันแหลกกับกิเลสจนกระทั่งมันแตกกระจายจปหมดจากจิตใจนี่เรียกว่าปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมประเภทหนึ่งสาหรับแก้กิเลสประเภทที่ดื้อได้ เมื่อยิเลตประเภทนั้นได้สลายลงไปหรือดับลงไปเพราะอำนาจแห่งมัชชิมาประเภทที่ทันสมัยนี้ยียเลตประเภทกลางแสดงออกมามัชชิมาคือสติปัญญาก็เหมาะสมผิดขึ้นมาอย่างเหมาะสมทันกันแก้กันไปได้โดยลำดับจนถึงยีเดตขั้นละเอียดแทรกตึงอยู่ภายในใจิตใจ ถึงกับเจ้าตัวก็ไม่รู้แม้เช น, นั้นก็ไม่ทนกับสติปัญญาอันเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมอย่างอี่ไปหน้เมื่อสติปัญญาประเภทละเอียดในครั้งพุทธ ก, การทะเนียกว่ามหาสติมหาปัญญานี่คือเครื่องมืออันละเอียดสุดสำหรับแก้กิเลสประเภทละเอียดสุด ให้หมดสิ้นไปจากใจเมื่อกิเลสได้หมดสิ้นไปจากใจโดย ส, สิ้นเชิง้นเิงแล้วเครื่องมือเหล่านี้ก็หมดปัญหากันไปเองโดยหลักธรรมชาติพระอรหันต์ท่านจริงไม่นิยมว่าท่านมีท่านเป็นมหาสติมหาปัญญาหรือท่านโง่เขลาบื่ปัญญาเมื่อถึงขั้นพ้นจากแดนแห่งสมมตินี่แล้ว ท่านไม่เสกขันตนเองว่าดีเยี่ยมหรือเร็วตามสูงต่ำอะไรกับผู้ใดบ้างไม่สติปัญญาก็เป็นสมมุิเป็นเครื่องมือตังแขกเมื่อกิเลสังมีอยู่ภายใน จ, ใจิตใจสติปัญญาจำต้องมกิเลสสิ้นไปแล้วสติปัญญาประเภทแก้กิเลสก็หมดปัญหากันไส เช่นเดียวกับการปลูกบ้านสร้างเรือนเสร็จสิ้นไปแล้วเครื่องมือก็หมดปัญหาหน้าที่ไปเองนี่ก็เป็นเช่นนั้นต่าคิดขึ้นมาใช้ก็ใช้าตามหน้าที่การงานซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องของกิเลสประเภนใ ด, ดเพราะฉะนั้นศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีจึงเป็นเรื่องสมมติ ตามกิเลสประเภทต่างๆซึ่งเป็นสมมุติด้วยกันเมื่อกิเลสทั้งทลายลงหมดศีลสมาธิปัญญาก็หมดปัญหาประจําต่างๆหรือแต่ความบริสุทธิ์ของจใจแม้จะนํามาใช้ก็จะท้ายตามหน้าที่การงานในความจําเป็นต่างๆซึ่งเกิดขึ้นแล้วประดับไปเหมือนกันเพราะเป็นส ม, มุทัยไม่นอกเหนืออณนนิจังทุกขังอณาตาไปได้ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญานอกจาก จิตที่พ้นสมมติได้เท่านั้นอนิจังค์ทุกขังนาตาจึงตามไม่ถึงเข้าไม่ถึงด้วยเหตุนี้จิตของพระอรหันต์จึงไม่มีเวทนาใดๆเข้าไปเจือปนเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยถ้าจิตนั้นพ้นแล้วจากแดนสมมติเวทนาจะเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยๆก็ประเภทใดก็ต่างเป็นสมมติเป็นอริยัง์ทุกขังนาตาเท่านั้นจะเข้าไปเกี่ยวข้องจิตที่เป็นสมุติปุดพ้นแล้วได้ไ ศีลสมาธิปัญญาก็อยู่ในกฎแห่งไฟรลักษ์นี้เช่นเดียวกันมีเกิดมีดับท่านจะเรียกว่าสมมุติแต่เป็นสมมุติฝ่ายดีฝ่ายชั่วสมมุติฝ่ายแก้ฝ่ายผูกมัดมีสองประเภทเมื่อได้ทำงานกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนได้ผลเป็นพี่พืงพอใจแล้วสนามลบลระหว่างกิเลสกับปัญญาก็ชิ้นสุดลง ผล ค, คือสันติสุขที่เรียกว่านัตถีสันติปรังสุขขันธ์สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีหมายถึงความ ส, สงบอย่างรากคาบของจิตที่พ้นแล้วจากที่เดียรเครื่องก่อปวนประเภทต่างๆไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจนั่นเลยจิตเป็นสันติธรรมโดยหธรรมชาติของตัวเองที่นี้ที่พึ่องอันไหนพี่น เมื่อถึงขั้นพึ่งตัวเองโดยลำ ด, ำดำับจนกระทั่งถึงสุดที่พึ่งแล้วหมดปัญหาที่จะผูกนี่อำนาจของาศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนไว้กับใจซึ่งเป็นผู้ควรและเหมาะสมกันกับธรรมนำมาปฏิบัตินำมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจย่อมทําจิตใจให้มีความรื่นเรองบันเทิงมีความสงบสุข มีความอบกุ่นภายในตนเองไม่ว่าจะพบนี้ชาตินี้พบใดชาติใดก็ต้องอาศัยวิบากกรรมคือบุญกุศลที่ตนได้สร้างไว้นี้เป็นที่ยึดเป็นคู่เคียงของใจเสมอไปจนกว่าจะถึงนิมุตติพุทแล้วปุญญาปาปะไปที่น้าบุคคลกะตาเป็นปุญญาปาปะไปที่หน้าบุคคล คือผู้มีบุญและบาปมันเสียได้แล้วนั่นถือว่าเป็นทั้งหมดปัญหาไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวข้องเลยาการแสดงถอดจมวกปิดเจ่านั้นต่อไปนี้ในขัน้นต่มา